่านสาธารณบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่ห้าของผมแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่งองโดยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยเรียสัตว์แต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือว่าจงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมด มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักประธรรมคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่ละครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ นี่ไปใช้คำว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านหลายจะคิดว่าผมโอดอตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าทานิพ้ผ่านไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาสแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถามว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิต จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่ได้มาก็ช่างไม่สําคัญเมื่อเห็นพระรูปรององประโคมก็องค์สมเด็จประทรงท่านในมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใคร เนื่องว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระต่าเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่ไปที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันเนื่อว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นคงจะเห็นว่าโลกนี้มัน สวยสดงดงามมีความมิจิตแต่การตาเป็นของน่ารักเป็นของน่าอยู่แต่ว่ากระแ ส, สพระสิษธรรมเขาองค์สมเด็จพระบรมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้เราก็มางพูดถึงอริยสัจในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการแยตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นก็ได้แก่อาศัยมักแปดประการคำว่ามักติ็นแปลว่าหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติเพื่อทางสาแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชิ ม, มาปฏิบัติเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่าอย่างไง หนึ่งสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นหน้าเรียสัตสีเห็นยังไงเห็นหน้าเรียสัตตีทันเวทุกอาแล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบีย้ยมมาเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมัง่งเอาความจริงเข้าไปสู้ อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชรารวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุขังความตายเป็นทุกข์ โสกะปรีเิวทุกตุมนัสสุปลายญญาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโน่นถือนี่รักโนนรักนี่เป็นสาคัญพัดพลาจากการอกทุกขเสียใจเป็นอันว่าทุกขเห็นไม่อยากทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหา ด้วยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนาที่เจ้านายเห็นตัวทุกต้ว น, นี้สิ่งท่านหลายในโลกเรามันเกาะมานานเราที่เรื่องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุ ก, ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานตัแต่ต้นจนยันอริยสัจ ทรงกำลังใจไว้อย่งงางนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัตว์นี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาและยังไม่ลืมตาก็ออยังก็ช่างเถิดจนกว่ามันจะหลับไป จงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเป็นความทุกข์ได้คือปฏิปทาอารมใจทรงในในมหาปฏิปทานา้าโซตั้งสี่ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรมมานุปัสสนาครบถ้วนทรงอารมอย่างนี้ทุก ตลอดเวลาการขันน้นละที่มีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังคปะดําริชอบท่านบอกว่ามีการดําริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยายามบาดหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่ง การดำริออกจากกรรมก็ไปนั่งคลำปฏิกราบับธาตุบับนวสีเก้าคลำให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาเจอาทั้งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสกะปรกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ารมฝืน คือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ยไปฝืนความจริงมันสุกระบอกจริงรู้ว่าสุกระบอกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งสุรกรุบอกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพของสภาวะเต็มไปของน่าเกลียวโโคกมีกาสีสีเย็น เป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกกตารม์นําริในอันที่จะไม่พยายามบดนั่มฤในอันที่จะไม่เบียดเปลียนอันนี้ก็ทรงพรมหม ihan สีเราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจําอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีที่บาดสีมีพรมหม ihan สี แล้วมีเจรณะสิบห้ามีบารมีสิบละนิวรห้าตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงไว้จำจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพานัาสสัชิกริรายะเอตังกาสาวังเกตวา ซึงแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวาพดเพื่อทำให้แจง้งเสียงผลิพานถ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชีอว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอและการเรื่องสามรายการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบัดจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้ว มันไม่อยู่แล้วครบถ้วนสามสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสียโดยการได้แก่ ว, วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อสเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเร้ากันวาจาหยาบคาย และการนินทาว่าร้ายเสียดสีและก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นเสถียรใจที่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชคนนาีคนนี้นินทายา่แก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเราอยังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามาก เขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลมาถึงปากของตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้สแสดงว่ากิเลมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเร็วแสนเร็วผมอยากจะบอกว่าเรวกว่าสติฉันเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ได่าไม่ว่าใคร รือว่ามันด่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นนวาวาจาชอบก็ต้องใช้าวาจาอย่างนี้ใช้าวาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่ะจะพูดกันไปเวลานี้เราวเรียนมห า, า, าสฏิปทานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็กลาบเรื่องมหาสฏิปฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้ เนี่อย่างนี้เรียกว่าใจาชอบเมื่อสัมมากรรมันตะทําการงานชอบทําการงานชอบคือจะบอกว่าวัณฑายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่ประพฤติผิดในการมอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในเรียสัตว์ ในอริยสัจก็หมาทำการงานชอบคือหาทานทำลายทุกหรือหาการทำลายทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตันหาอันหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใด ห, หาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันที การรวมความการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติตริฐานสูงในตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกเรนก็ดีทั้งหมดหรือว่าการงานที่เราควรจะกาหนดก็นั่นก็คือเจรณะสิบห้าจเป็นการงานสำคัญต้องครบทวนบริบูรณ์บารมีสิบต้องครบทวนบริบูรณ์ตามงกาลังใจตลอดวัน แล้วก็พร ม, มวิหารสี่อิทิบาทสี่การละนิวอนห้านี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถืนอนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่า กำลังใจของเรากําลังจะพาตัวของเราไปสู่ไบยกม์นี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีถ้าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกําลังคดบการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่เราก็หาทางทําลายความชั่วนั้นให้หมดไป และนี้มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ากการรยงชีวิตนี้ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทานที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการของทุจริตทั้งหมดเราไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอยู่ในฐานนะของเราให้เหมาะสม สัมมาวายามะเพียนชอบคือเพียนในที่สี่สถานเพียนในที่สี่สถานนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนเขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีอ่านึกได้แล้วเพียนในที่สี่สถานนี้ถึงกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายเพนในวัตรวิโลก เส้นกล่าวว่าประธานประธานะตามมสาบลีนี่ถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วว่าโผล่มาในใจประธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประธานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดาน อารมณ์ใดที่ขัดกับอารมณ์มหาสติปัฏฐานสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ขดขาดจำให้ดีดีนะและก็อารมณ์ใดก็ตามที่ไม่ขัดกับเจรณะสิบห้าขัดกับบารมีสิบขัดกับพรมิหันสี่ขัดกับการทำลายนิวรน์ห้าขัดกับ อะไรล่ะที่บาทสี่อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดย่าให้มันเกิดขึ้นจงอย่าให้เกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละสี่เวลาปีหนึ่งสามรอยหกิบห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้ว ละอะไรได้บ้างดูกำลังใจคนโอนตนเองตนจะรู้เองถ้ายังถ้าเยออท่ายานอยู่ยังท่านงตนอยู่ก็สแสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อที่สองประหานประทานความเพียนละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว หมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดตธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประธานเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์กรรมอารมณ์มาหาติปทานนันสดครบเจรณะสิบห้าครบบรมีสิบครบ พรหมมีหารสี่ครบวิธิมบายครบละนิวอนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประธานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษารมนั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ไปพิธปปิบัตินี่ที่จะเข้าถึงความเป็นนักอริยสั์เป็นนักมหาฏิประิาน เียว่าเป็นสาวกของสมเด็จพระชินวอนอธิเจดสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปฐานาสสตรทั้งสี่ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉาพาะเวลาระวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบัง ไม่ยอมให้การนั่งสามรากเหง้าของกิเลสและก็บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาเติปัฐานาสุขทั้งสี่ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อที่แปดสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌานสี่ไว้เป็นปกติ เพื่อทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสีส่เว้แล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีร ท, งทสรงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้ว อารมณ์ยังจับใจท่านมันเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อห็นแล้วก็รู้สึกแตเพียงศักตะวตหินยั่งร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ่ม เนก็จงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในยในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นและก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย นี่ทุกข้อนี่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมาสมาสมุทัยเจ้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็นย้ำโจงซา ว, ว่านี่เป็นมิปัสนายานตัวยอด เป็นการทำลายนิวรสัญโยติบระการให้พินาศไปเริ่มนา่าเกายใิทีจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอืน่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่านมีโอกาสฟังได้มากถ้าระยะดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอรหัตผล ท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมเยาระตาจาราเทรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้ได้อรหัตผลเยางคุจุตราท่านฟังอะไรท่านจึงได้ประสูดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพรเรวัตน้องชายประสาริบุตร ท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอร่าตผลแล้วก็ทุกๆท่านนั่นแหละอย่างภาษาริบุตรกับพรโมคัลาฟังสับย่อวาเยธรร ม, มาเหตุปปะวาตทสังเหตุงตถาคตโยนิโรโทจ่าเอวังวาทิมหาสวโรก์การทำใดเกิดตเหตุพระพุทธเจ้าสุงตัดถิติกาทำนั้น ด้วยความดับไปต้องทำนั้นสมเด็จประมหาสมณตรัสอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสัยใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุประโสดาบันเฮดูท่านฟังนิดเดียวเนี่ยถ้าพวกเราได้ฟังมากดีใครเป็นประโสดาบันแล้วได้อย่างแต่ความจริงเขาว่าของล้นตลาดที่มันเฟ้อ ลองเฟอ้อแล้วมีวิค่าในคำสอนที่ผมสอนท่านในกลุ่มเหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอ้อเฟอ้ไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายธิฐิตัดได้แล้วดีอย่างวิจิจรช้าสงสัยสกายธิฐิ มีรมมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่ในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความยำบดัดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นัน่นเป็นของเรานี่เป็นของเร า, เเรายัง ม, มีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วดีอย่าง วิจิกิจฉาความสงสัยในคํา ส, สั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังศีรพตปรามาตยความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไป ต, ต, ตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิกามราคะตัดได้แล้วหรือยัง ปฏิา้าอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วนีอย่างมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วมีอย่างอุตจาาักระมุ่งสั้นจิตไม่หวังพนิพานยังสายอยู่ในรลกอื่นตัดได้อย่าง อวิชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรทมโลกสวยสดเมื่งงามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในในิพพานตัดได้หรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่า ทำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทด่ไม่มีผลสำหรับท่านเสียแล้วถ้ากล่าวกันตามพระมาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรจกมรรคผลในพระพุทธศาสนาแจกเว่ปเป็นคนประเภทประทับประมานี่สำหรับท่านที่โบวถ์อยู่ถึงข้างภรรษานะ สำหรับคระใหม่ก็ไม่ว่าคนมาไหวมันก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยม่ได้ว่าติเตียนคื่อปรารภว่าเราก็เสียทีที่เกิดมพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสีนนใจเหมือนกไก่หินพลอยเป็นอนุวาสำหรับมหาสติปัฐานสุดสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันที ทั้งนี้เพราะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบระลึกไว้จบหรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามัตยยอธัธยาสายจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร